การเวลามันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปนับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่ก็หมุนอยู่ที่เก่านั่นแหละยกตัว่ า, า, เาเราเอาวันเดือนปีไปจับพอให้รู้ว่าผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้ก็คือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง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 เขาไม่ยึดติดอยู่กับพบไหนภูมิไหนทั้งนั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปแต่ละพบแะชาติเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของความเป็นชีวิตก็คือจิตดวงนี้หละแก่นแท้ของความเป็นชีวิตก็คือจิตดวงนี้พบชาติแต่ละพบและชาติเป็นส่วนประกอบ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 แต่จะฉลาดหาความสุขให้กับตัวเองตัดพบตัดชาติเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่เอามาอย่างไงไม่รู้อยู่อย่างไงไม่รู้จะไปอย่างไงไม่รู้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เขาให้ชื่อนั้นนามสกุลนี้พวกคุณรู้ตัวว่างไหมว่ากําลังถูกหลอกอยู่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 พานิชพาี้ความมาแบบง่ายๆถ้าคุณควบคุมพื้นที่ทางใจไม่ได้จะได้คิดเลยอย่าได้คิดเลยบอกว่าไม่ได้เลยก็ได้พาณิชพาณิเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยเฉพาะนะ่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 เราไม่น่าเลยนะพระมะเทศทีโอ ท, ท, ท, ทีนี้ก็พระกรรมฐานแทบจะทุกองค์คทั้งนั้นแต่ขัดการปฏิบัติของเราเองถึงมาอยู่ในสภาพอย่างนี้สักพักหนึ่งมึงก็จะเข้าสู่ระบบของการเป็นเปรตเป็นผีแล้วมังเกิดจะลืมไปแต่ผู้มีฌานมียานมาเห็นเปรตตัวนั้นเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อ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 กำหนดตามที่อาตมาอธิบายให้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆอันนี้คือวิธีการถ้าวิธีการที่ถูกต้องถ้าขาดความเปลี่ยนก็อย่าได้คิดเลยว่าจะเหยียบเข้าไปในสะพานอันนี้ได้ต้องมีความเข้าใจแล้วก็พร้อมทั้งความเปลี่ยนะสมประสานกันอย่างสมบูรณ์ถึงจะเป็นผู้อ ง, งาอาจอยู่ในกลางสะพานพระนิพพานได้นะ่ะ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 ไปต่อก็ขอให้มีทานศินภาวนาถ้าจะกรับสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานี้คือกรับทานสินภาวนาคื อ, อไปต่อแต่ไปต่อ ท, ที่ไม่ค่อยมีทุกข์ถ้าไม่มีทานศินภาวนาก็ไปต่อได้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 มาครัง้งแรกก็ว่าอยากปฏิบัติทพาพ่อสอนให้จริงๆิงหนีไปเลยเอา้ามาเจอครั้งหนึ่งอยู่หลวงพ่อบุญยาทธ์อ่ะก็ไม่ได้ไปนะครั้งนั้นก็ยังไม่ท่าไรมาเจออีกครั้งอยู่งานหลวงพ่อบุญทันอยู่เพชรบูร์เจออีกครั้งไปเที่ยวทองของหลวงปู่ไม่ที่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 ามาเอาการให้ทานวิ่งไปวัดนั้นวัดนี<笑><笑>ด้ก็เลยเออเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหมือนกันพวกเราจับหลักของการขัดเกลาจิตใจนี้ให้ได้เถอะมีทานอยู่เป็นนิดมีศีลอยู่เป็นนิดพอแล้วขอให้จับหลักของการขัดเกลาจิตใจ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 พูดให้จบแล้วก็จะสรุปสรุปให้เลยพูดให้จบเลยวันนี้ขยายจออีกนิดเจ้งไหราะที่แฉมากันตุ้นต่อป่วยอะนะ<ร>อะไรที่นั้ยเลยไม่ใช่หรือธรรมะผุดขึ้นมาบอกธรรมะผุดเข้ามาเป็นกำลังใจอยู่ในใจนั่นแหละเตียงนั้นมันคนผีบ้าหรอของรอบเตียง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 เดี <ss un>: ๋ยวกลับคัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยมาเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งครับอรหังสมมาสมพุทโธพะควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะค้าโตพระวัตาธโมธัมมนามาามีสุปฏิปัน โอภาวาโตชาวากะชัง